นิมนต์ท่านผู้ทำการขอขอถามไปด้วยดีขอให้ท่านนิมนต์ได้เข้าใจการเที่ยวตามบริเวณวัดซึ่งท่านได้นําดูแล้วแล้วก็เตือนให้ท่านกิจการงานภายในวัดที่ก่อความรํารอนให้เป็นขาดจุดเตือนทางสติปะภาวนา ให้มีประกอบงานจําเป็นซึ่งเป็นงานเพื่อปดถอนที่ลูกโดยขาเดียวเท่านั้นความเพียรอย่างกระเทียมของพระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายที่ทรงดำเนินมาอันนั้นนี้เป็นภาวนาเลยให ครับเรื่องของพระเราไม่มีกิจการงานใดจะเป็นงานสําคัญยิ่งกว่างานสติภาวนาเพื่อการขจัดค้อนิเลกทุกประเภทซึ่งแสดงอยู่ภายในจิตใจของตนทุกขณะถ้ามีสติต้องทราบไปทุกระยะว่าภาคจิตนั้นไม่อยู่ในฐานที่ใด โมทัยมีอยู่ในสถานที่ใดถ้าผิดย่อมอยู่ในสถานที่นั้นผลที่เกิดขึ้นจากทํารังการหรือทําลายจากภาคผิดของโมทัยก็เกิดขึ้นแสดงขึ้นมาที่ใดไม่มีที่อื่นใดพอจะเป็นที่ผลไปในการแก้ไขหรือปราบการสิ่งที่เป็นภัยแก่ตนเองท่านกล่าวไว้ในธรรมว่าอริยสัตว์ทั้ง 7 ภพมีเป็นผลสืบเนื่องมาจากกันในไทยเปรียบก่อนนี่ท่านจึงเรียกว่าสมุทรไทยแดนเป็นที่เกิดแห่งทุกข์เกิดที่เมืองการตรงนี้เกียรติเป็นผลของมรรคที่ทํางานได้มากน้อยระงับดับทุกข์ไปโดยลําดับมรรคได้แก่สรุปภัณฑ์แล้วได้แก่ศีลสมาธิปัญญา ศีลตา봉ข้อตํารักษาอยู่เรียบร้อยแล้วไม่เป็นเครื่องกังวลในเรื่องศีลทั้งปวงซึ่งควรจะทําจิตใจให้มีความสงบสม่ําเสมอด้วยความเพียรไม่มีนิพพานเกี่ยวกับเรื่องศีลไม่บริสุทธิ์ด่างพรอยต่างๆเข้ามารุ่มเร่าวุ่นวายความเพียรย่อมเป็นไปเพื่อความสงบ อันเป็นถึงที่มูลเพราะก่อนมรรคออกนึกอะไรสัมมาภิทธิสัมมาสังขปะหมายถึงองค์ปัญญาซึ่งเป็นความเฉลียวฉลาดออกหน้าสุดๆปัญญาเราจะใช้ในแต่ฐานที่เช่นใดสติจะทํากับงานเช่นใด สติเป็นเครื่องกำกับงานที่ตนทำได้แก่ทิฏฐิกรรมภาวนาสังเกตตรวจรู้จิตอยู่เสมออย่าลดละเครื่องของสติเป็นความจำเป็นอยู่ตลอดกิริยาบทความเคลื่อนไหวทั้งนั้นขอให้มีสตินี้เป็นการสั่งสมสติให้มีความรู้ตัวอยู่ทุกขณะตนตื่นตื่นเรื่องเป็นสังขัติสัญญาสติความระลึกได้ถ้าเกิดเป็นพัค เมื่อฝึกเรื่องกันต่อไปโดยลําดับเพราะการอบรมอยู่เสมอการบํารุงอยู่เสมอย่อมกลายเป็นสัมปชัญญะคือความรู้ตัวฝึกเรื่องต่างๆจากนั้นก็กลายเป็นมหาตถุขึ้นมาได้ดูเด็กซึ่งเราเคยเป็นเด็กมาด้วยกันทุกคนเด็กเติบโตด้วยอาหารปัจจัยชนิดใด มันจะอยู่ๆแล้วก็เติบโตขึ้นมาเฉยๆต้องได้รับการบำรุงรักษาทุกบ้านทุกครังในบรรดาที่จะเป็นการส่งเสริมเด็กให้มีความเจริญเติบโตและปลอดภัยพ่อแม่ที่เลี้ยงจะต้องพยายามรักษาเด็กก็เจริญเติบโตขึ้นมาจนเป็นผู้ใหญ่ได้อย่างร่ำรวยท่านพันธุ์อยากเข้าใจว่าเกิดขึ้นมาอย่างไรละครับ แล้วเติบโตขึ้นมาอย่างไรๆเติบแต่เติบโตขึ้นมาจากการบำรุงการรักษาทุกด้านทุกแยกทุกหมู่เรื่องของจิตอยู่เฉยๆจะให้มีความเจริญลูกเหลืองพุ่งไปโดยทางของของส่วนนั้นย่อมเป็นไปไม่ได้จิตไม่สามารถจะช่วยตนเองได้เช่นเดียวกับเด็กไม่สามารถจะช่วยตนเองได้ต้องเอาผ่อที่เลี้ยงนี่ก็ต้องเอาไฉทธิปัญญา นี่ถ้าธรรมเพียงเป็นเครื่องหนุนหลังสมองสติกับปัญญาเป็นสิ่งสําคัญมากสําหรับการบําเพ็ญสติสัมปัฏฐะปัฏฐานตามหลักธรรมท่านก็กล่าวไว้นะฮะไม่มีข้อสงสัยสติเป็นธรรมที่จํากราถนาในที่ทั้งปวงทั้งหมดสติเป็นของสําคัญ สัมมาทิฏฐิสัมมาสังขป์หมายถึงองค์ปัญญาค้นลงที่ร่างกายและจิตใจซึ่งมีความเกี่ยวโยงกันกับอุปาทานก็ความหลงของจิตการแก้ความหลงของจิตจะต้องแก้ด้วยความรู้ความฉลาดหมายถึงปฏิปัญญาหมายถึงใช่หมายถึงปฏิปัญญาการที่จะช่วยเหลือจิตได้ต้องอาศัยสติเป็นคู่กระทัพประคองตามระลึกฤทธิ์เหมือนเด็ก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 อันตรายจะเกิดได้ยากคำว่าอันตรายหมายถึงอะไรเราอย่าหมายถึงรูปถึงติเสียงสิ่งรถเครื่องทั้งปรรคซึ่งเป็นของอยู่ภายนอกนั้นมากไปกว่าอันตรายคือสมุทัยซึ่งเกิดขึ้นจากใจของเรานี้โดยอาศัยการเธอได้เห็นได้ยินเป็นสิ่งที่ลิ้มรถซึ่งเป็นอดีตาเรานะเข้ามาประมวลไว้ในใจ ตราบการหนึ่งเครือของจิตมันก็จะวยอยู่แล้วนิเทศที่เป็นเครือมันย่อมพาผักดันจิตไปออกไปนอกออกนอกผู้นอกทางถ้าถ้าจิตไม่มีจิตใจก็เสียได้ในต่อมาเช่นเดียวกับเดชถ้ามันที่เลี้ยงตามรักษาเดชก็เป็นอันตรายได้ตกน้ําเข้าไปตกบาดตกเลือดตกเหนือตกบ่อซึ่งที่ว่าอันตรายแล้วร่อแหลมมากมันนําเดชกรากไปจากที่เลี้ยง จิตใจที่ปราทได้มีสุขสติและปัญญาก็ย่อมเป็นคือนั้นเหมือนกันเพราะฉะนั้นการภาวนาที่ไม่เป็นไปดังใจหวังก็ก็ความโรเลของสติปัญญานั่นก่อให้จิตคิดไปตามอําเภอใจด้วยอํานาจของความขัดกันของอันตรายได้เดี๋ยวถ้ามือภัยคือกิเลส กามตัณหาภวตัณหาวิภวตัณหานี้เป็นตัวใหญ่ของคือรากเหง้าเข้ามูลของกิเลสก็ถึงเมื่อกระจายไปทั้งจํานวนมากเช่นเดียวกับต้นไม้เช่นต้นเดียวเท่านั้นรากขอมีมากนอกจากนั้นยังมีรากแก้วที่ฝังลึกลงไปอีกด้วยยิ่งก้านสาขาดอกใบมีมากมายนับกี่วันกี่คืนต้องคลุกคลั่กมีเรื่องกระแสของกิเลสที่กระจายไปจาก ความโลภความโกรธความหลงนี้ราคะตัณหานี้พนันนามไม่จบถ้าเราตามเอาเหมือนกันนอกจากเรามีสติคอยสังเกตสอดรู้อยู่ที่ใจซึ่งซึ่งเป็นฐานที่เกิดของอนตรายคือสมุทัยคิดจะระเบิดจิตที่มีความสุขให้แตกกระจายไปด้วยธรรมบุญมีบุญวางเป็นไผ่ทั้งปองถึงเรียกว่าอันตรายจบจบเหมาะ ที่อาจารย์อื่นไม่เห็นผิดนักปฏิบัติหาอุบายวิธีพักจิตพักกายเที่ยง 2 ตนเองให้เป็นที่ถึงดับจึงเรียกว่าปัญญาจึงเรียกว่าเป็นผู้ตลาดการหักห้ามตนเองเมื่อจิตมีความว่าโผล่ไปทางที่ไม่ดีต้องหักข้ามกันอย่างหนักหน่วงเอาให้ถึงเห็ดถึงผลกันไม่อย่างนั้นแพ้เนี่ยการรักษาจิตเป็นอย่างนี้ทั้งพุทธกาลท่านทํามาอย่างนี้ เราเคยเห็นในตำราตำราด้วยกันทุกคนในครั้งพุทธกาลท่านเป็นไม่ไม่ว่าสาวกองค์ใดออกมาจากตระกูลไหนก็เพียงเดียวอย่างกับปัจจุบันออกมาจากตระกูลพระราชามหากษัตริย์เศรษฐีประดุจสีข้อพาประชาชนคนธรรมดามารวมกัน ในวงพระศาสนามีพระโรมมตะกถาดาเป็นครูท่านเอกทรงให้การแนะนําคําสอนเมื่อถึงใจด้วยเหตุด้วยผลแล้วท่านเหล่านั้นไม่เสียดายชีวิตจิตใจไม่เสียดายบริบัติบริวารไม่เสียดายทรัพย์สมบัติทนายทั้งหมดเพื่อออกมาจากตระกูลมั่งมีก็ตามตระกูลใดก็ตามมีความมุ่งมั่น ในการที่จะก่อถอนพิรีตด้วยความเพียรตามสถานที่เหมาะสมดังที่ท่านกล่าวไว้ว่าลุกขมูลเศษงานสมารสร้างกับปัจฉาตะสเทยาวัควงสร้างหู้กระหนิอยู่มันประชาไปสมหมดแล้วไอ้เธอทั้งหลายจงออกแสวงหาสืบตามลุกขมูลคือล่มไม้ทายป่าทายขาวตามถ้ําเงื้อมผา판เป็นที่มันคุ้มค้านเพื่อความสะดวก การทํางานของเธอทั้งหลายจงทําความอุตสาหะพยายามอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดงานเพื่อความสะดวกแก่งานของเธอทั้งหลายนั้นก็เคยได้พูดให้ฟังแล้วคุณหน้าและสถานที่นี้ก็คือจิตตะภาวนาโดยอาศัยหลักเบื้องต้นที่บัชชายะมอบให้ตามแนวทางพระคุณมรศักดิ์ตรัสสอนไว้ว่ามูลกรรมฐาน 10 ประการโยมานะ 5 สันตาตตุตูต่างๆลักษณะลงมาชุดชาเป็นต้นเพียงเท่านั้นก็ครอบหมดแล้วในสภาพร่างกายของมันพระจะเรียนตัวมีหนังหุ้มอยู่โดยรอบเมื่อพิจารณาหนังให้เห็นเป็นหนังอย่างชัดเจนตามสมมุติขันธ์นี้ทีแล้วเราก็จะเห็นสภาพของร่างกายที่ปรากฏจากหนังเป็นอย่างไร เวลานี้หนังหุ้มห่ออยู่พอเป็นปัจบุคคลเป็นหญิงเป็นชายเป็นเราเป็นท่านมีคุณค่ามีอาฆาตมียศฐานะมนัสสถึงต่ําพอพูดกันได้คุยกันได้พอหนังออกไปแล้วเท่านั้นมีตั้งแต่เมื่อแรงวันนั้นแหละตามมานิยมเราคิดดูมีการพิจารณางานของตนเป็นอย่างนี้ถนัดในอาการไหนงานชิ้นไหน อย่าว่าตั้งแต่เพียงอาการข้างนี้คือเกศาลูมารักขารักษาต่อตัวผมขนในผันหนังนี้เลยอาการทั้ง 3 ที่ 2 อันใดเป็นที่หมกหุ้มกับกระดูกคิดไก่นี่ออกจากผมขนในผันหนังแล้วก็เนื้อเอ็นกระดูกเลือดในกระดูกม้ามหมักหัวใจตับทั้งขุ่นไตปอดไข่ใหญ่ไข่น้อยอาหารหมักทั้งกับนี่เต็งเหล่านี้ เป็นของปฏิคูลเป็นของน่าเกลียดน่าดูแต่เท่าที่เป็นผักเป็นหนุ่มมีความรักชอบมีความส่งเสริมยินดียืนร่วมกันก็ก็มีหนังมีหมู่เท่านั้นเองความหนาของหนังนั้นไม่ได้เท่าใบลานเลยไม่เท่าไม่เท่ากระดาษเลยผิวมันฉาบคล้ายเพียงแน่นอน เมื่อพิจารณาให้เห็นตามความจริงนี้ทุกสรรทุกส่วนข้างบนข้างล่างเราจะสงสัยไปไหนนี่คืองานของเราเป็นงานถอดถอนที่เหล่าภพวะที่เรียกว่าสมุทธะให้พิจารณาอย่างนี้ทางด้านหนึ่งสติให้ประคับประคองเสมอพยายามสั่งสมให้มีขึ้นรักษาสติให้ดีเราอย่าไปทํางานใดยิ่งไปกว่างานรักษาสติ และจะเห็นสิ่งใหญ่อย่างจริงใดว่าเป็นภัยต่อเรายิ่งกว่าทั้งหมู่ไทยที่เกิดขึ้นจากต่างแสดงออกมาในเงี่ยต่างๆให้สัตว์โลกทั้งหลายได้ลุ่มหลงเพราะไม่มีสติปัญญาสามารถแก้ไขและรู้เท่าทันมันจึงเป็นยอมศาสดาของโลกภพนี้ได้เรื่อยมาจนถึงท่านปัจจุบันนี้ ไม่มีผู้ใดที่จะมีความฉลาดแหลมคมได้หลักวิชาอันถูกต้องมาแก้ไขสิ่งนี้หรือรู้เท่าทันลบล้างสิ่งนี้ออกจากใจจนกลายเป็นใจที่บริสุทธิ์ได้เหมือนพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์เท่านั้นเพราะฉะนั้นจึงถมน้ํามาท่านเป็นจอมปราชญ์ฉลาดแหลมคมจริงโดยไม่มีครูอาจารย์ใดสั่งสอนด้วยพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์ที่ได้ตรัสรู้ธรรมนํา สาตนะธรรมะต่างๆโลกต้องกลับจะรู้ด้วยสยัมภูคือความรู้แจ้งถึงจริงโดยลําพังผู้เองซึ่งไม่ต้องอาศัยการศึกษาอบรมกับผู้หนึ่งผู้ใดเลยจึงเรียกว่าสยัมภูต้องรู้เองทั้งเองทุกๆพระองค์นี่ความฉลาดสามารถของท่านกับของเราผิดกันขนาดไหนพวกเราฟังได้ยินได้ฟังมาตั้งแต่ต้นตั้งเริ่มวันเริ่มเข้าไปหมดจนกระทั่งบัดนี้ ล้วนแลตั้งแต่ทำเครื่องถอดถอนกิเลสทั้งนั้นที่ท่านชี้แจงแสดงเอาไว้แต่เราก็แม้สามารถที่จะถอดถอนกิเลสออกจากภายในจิตใจของตนได้แม้แต่ชิ้นเดียวก็มันข้ามกลับสั่งสมกิเลสขึ้นภายในตัวโดยไม่รู้ตัวมันก็กลายเป็นการหมวดเข้ามาสั่งสมกิเลสผิดกับธรรมหุ่งหมายของธรรมและตถาคตญาณที่ทรงสั่งสอนไว้นี่แหละความปรากฏพระติ ความปรากฏประจักษ์ปัญญาย่อมปรากฏผลย่อมปรากฏความจริงประเด็นไม่รู้ติดตัวอย่างนั้นถ้ามีสติมีปัญญาความจริงจะหนีไม่พ้นต้องภาพได้อย่างชัดเจนในหลักภาวนาหลักภาวนานี้แหละเป็นหลักที่จะรื้อถอนสิ่งที่รกทุ่งนางอันเป็นฆาตศึกต่อจิตใจมานานจอมพบยอมชาติก็คืออวิชชาปฏิจจาสังขารสังขารปฏิจยาวินัยซึ่งทั้งสมุทยโพธิ์นี่คือ ธรรมชาติที่พาให้สัตว์เกิดสัตว์ตายท่องเที่ยวในวัฏะต่างๆไม่มีเวลาจบสิ้นคือคืออันนี้แหละอันนี้แหละนี่แหละกษัตริย์แห่งที่เหล่านี่จอมกษัตริย์ของที่เหล่าก็คืออวิชชาแผนงของอวิชชาแต่ละแผนงแผนงก็แสดงออกมาเป็นความโลภความโกรธความหลงนี่มันเป็นกลุ่มใหญ่ๆกันกลุ่มแล้วคั่นแตกแขนงออกไปเรื่อยๆไม่มีที่สิ้นสุดเลย จะทำลายสิ่งเหล่านี้จะแก้ไขสิ่งเหล่านี้ได้ด้วยอำนาจของสติกับปัญญาเป็นสำคัญนี้แต่ถ้าความเพียรเป็นเครื่องมืออย่างนั้นเห็นภาพกันจำเอาไว้อย่างถึงใจแนวแนวทางที่พระพุทธเจ้าทรงสั่งสอนมาภวคทั้งหลายท่านดำเนินอย่างนี้ 3 ครั้งฉนังกัจฉานให้นึกน้อมถึงปฏิปทาของท่านที่พาดำเนินไม่ว่าจะออกจากตระกูลใด เมื่อได้สนับสนุนจากพระพุทธเจ้าเกิดความเชื่อความมั่นใจอย่างถึงใจแล้วบุกเข้าป่าเข้าลวกเข้าเขาอดอิ่มอะไรไม่คํานึงทั้งนั้นขอแต่ให้รู้ให้เห็นดั่งอัฐดั่งธรรมไม่ถดถอนเด็ดออกจากภายในจิตใจแล้วเป็นที่พอดับเพราะฉะนั้นปฏิบัติธรรมท่านจึงล่าเตือนมีงามเรียกว่าสุปฏิปันโนอุปฏิปันโนญายะธานิฏิปฏิปันโนปฏิบัติดีปฏิบัติชอบปฏิบัติตรงปฏิบัติ เพื่อความรู้แจ้งจริงๆจริงๆปฏิบัติสมควรแก่ธรรมจนกลายเป็นอริยะบุคคลขึ้นมาบุญยักเหตุตามโลกัสส์กลายเป็นเมื่อเป็นเมื้อน่ะบุญของตนอย่างเอกถูกแล้วก็กลายเป็นเมื้อน่ะบุญของโลกไปในตัวนั่นแหละเพราะโลกกับธรรมแยกกันไม่ออกคฤหัสถ์กับพระแยกกันไม่ออกเมื่อได้ทําหน้าที่ให้เต็มภูมิแล้วมีสิ่งที่จะแจกแบ่ง สงฆ์ต้องหาซึ่งกันและกันแล้วโลกนี้อยู่ด้วยกันเพราะการสงเคราะห์สงหายิ่งธรรมด้วยแล้วเมื่อมีบิณฑบาตในใจแล้วทําไมจะจะเหลื่อมเผื่อแผ่กับโลกทั่วภพสงสารเมตตาล้วนๆไม่ได้ล่ะนั่นนี่แหละอันดับแรกจึงพยายามตัดตัวให้เพียงคอกับความต้องการอยากเห็นความคิดใดที่เป็นภัยยิ่งกว่าความคิดที่ปิเล็กบ่มกาลออกมา และอยากเห็นอันใดที่มีคุณค่าคือสามารถปราบกิเลสได้ยิ่งกว่าทะปิปัญญาให้แนบสนิทกับใจเสมอเราอย่าเสียดายความคิดความตรงในแง่ต่างๆซึ่งเป็นโลกเรื่องโลกสงสารอันเป็นสิ่งที่จะสั่งสมกิเลสซึ่งมีอยู่อย่างเป็นหัวใจแล้วให้ล้นหัวใจมากเข้าไปความคิดเรื่องใดก็ตามเราเคยคิดมาแล้วด้วยกันไม่เห็นเกิดผลเกิดประโยชน์อะไรแล <นะ. S 1> ให้คิดเรื่องอัดเรื่องธรรมเรื่องจะเหมาะสมกับภาวะแห่งความเป็นพระเป็นนักอธิบดีของเราเอาเอาให้ดีอย่าถอยหลังพระพุทธเจ้าไม่ไม่เคยพูดถอยหลังความอดทนก็มีใครเกินพระพุทธเจ้าความเพียรทุกแง่ทุกมุมไม่มีใครเกินพระพุทธเจ้านั่นน่ะครูเอกของเรา คำว่าพุทธังธนังกระฉานนี้เนี่ยพี่น้องพระองค์เป็นที่หรือพานะจิตใจเป็นที่วิบเหี่ยวเป็นหลักเป็นเกณฑ์ของจิตใจยังไม่แล้ยังต้องยึดหลักปฏิบัติธรรมที่ทรงดำเนินมามีศรัทธาวิริยะสติสมาธิปัญญาเป็นต้นเข้าวัดเข้าไว้ในจิตใจใน 3 ครั้งสรังกระฉามก็มีข้อเหมือนกันให้ถือองค์สุปฏิอุทุญญะญาณังอธิปติพันนัง คงแนวต่อมาถึงนิพพานธรรม 4 ประเภทคือการปฏิบัติดีชอบตรงไปตรงมากับความรู้แจ้งเห็นจริงด้วยความมุ่งมั่นของตนจึงกลายเป็นฌานมิติกรรมเป็นความชอบธรรมแล้วจะไม่พ้นจากธรรมมันรู้ด้วยความเห็นแจ้งเห็นจริงในธรรมทั้งหลายซึ่งมีอยู่ภนาจิตใจเป็นแต่เพียงว่าพิเดชสมุทรไทยทั้งหลายมันปกปิดกำบังน้ําที่ใสสะอาดที่สุดคืออมตะธรรม อยู่เท่านั้นเองเราจึงไม่เห็นเพราะฉะนั้นให้เปิดน้ําว้อจอกแหนออกจากจิตใจจอกแหนนั้นหมายถึงกิเลสอาสวะประเภทต่างๆคําว่าว้อก็หมายถึงว่าขวาดออกให้หมดด้วยอํานาจของสติปัญญาของเราแล้วน้ําอมตะจําให้ไปถามที่ไหน อะไรฮะตัดนี่แหละเป็นสถานที่อยู่แห่งน้ําอมตะธรรมเมื่อได้เปิดพุกสมุทัยออกมาให้หมดสิ้นลงไปแล้วด้วยมรรคคือเครื่องมืออันทันสมัยความหิวก็หายโดยประการทั้งปวงก็ดับลงไปที่เรียกว่านิโรธเนี่ยพอจะได้ดื่มอมตะธรรมที่เรียกว่าอมตะฤทธิ์ ก็ได้อมตะธรรมก็ได้คงเส้นคงวาเป็นอนันตกาลอนันตปฏิหาระหว่างไม่ได้ไม่มีการไม่มีฐานที่เข้าไปเปรียบท้องได้ให้เปิดลงที่นี่ทุกข์จะทุกข์มากทุกข์น้อยเราเคยทุกข์มาแล้วอย่าหวั่นไหวให้เอาสติปัญญาจับเข้าไปตรงทุกข์นั้นค้นหาเหตุมันเกิดทุกข์เพราะอะไร แต่หนีจากสมุทรไทยตัวยุแย่กว่าควรนี้ไม่ได้ตัวนี้เป็นตัวยุแย่กว่าควรตัวแสนเล่แสนเหลี่ยมแสนมะยาที่สุดก็คือตัวสมุทรไทยงั้นเป็นสิ่งที่โลกได้เชื่อถือกันมาจนไม่มีทางต่อสู้ไม่คิดจะต่อสู้ไม่คิดจะแก้ทันก็คือเรื่องสมุทรไทยเพราะความละเอียดละออความแนบเนียนในกฎหมายของมันนอกจากหลักธรรมเท่านั้นเข้าไปจับ ถึงจะทราบข้อเท็จจริงจริงของสิ่งเหล่านี้มีสติปัญญานั่นแหละเป็นเครื่องทดสอบถึงจะทราบข้อเท็จจริงซึ่งกันและกันแล้วแยกแยะกันออกโดยลำดับกันไปจะเป็นไปเพื่อจิตถ้ายังไม่เป็นสมาธิเมื่อสติเป็นเครื่องรักษาจิตอยู่สมัยแล้วจะต้องเป็นสมาธิคือความมั่นคงของจิตความสงบของจิต จะเคยฟุ้งซ่านลำคาญมาขนาดไหนก็เถอะขอให้มีสติเป็นเครื่องนับถาจิตก็เป็นการบังคับความคิดทั้งหลายไม่เกิดขึ้นไปในตัวนั้นแหละคิดขึ้นเรื่องใดให้ปัญญาติดตามเรื่องเหตุผลกลไกอันใดจึงต้องคิดไปอย่างนั้นรักสิ่งนั้นทางสิ่งนี้เพื่อประโยชน์อะไรความรักความทางเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้นความรู้รอบ ในความคิดคําตนของตนและความรู้เท่าทันในความรักความทางทั้งหลายนั้นเป็นปัญญาเมื่อปัญญามีกําลังก็สามารถถอดถอนได้เพราะถึงความจริงเป็นขั้นๆไปมีการปฏิบัติพากันทําความเข้าใจอย่างนี้ขณะที่จะใช้สติที่จะเอ่อกําหนดให้จิตสงบก็ให้มีเท่านั้น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 แล้วลาวตะครุบหนอไปเรื่อยทีนี้เงาเมื่อคนวิ่งมันก็วิ่งอามันไม่ทันวิเลศเป็นเป็นหนังเหมือนกับเงาการปะตะครุบเราให้แนวในหัวใจในขณะที่ทําความสงบใช้อารมณ์ใดที่เห็นว่าถูกกับจริตให้มีความมุ่งมั่นต่ออารมณ์นั้นไม่ต้องคิดหาคิดหมายถึงมรรคถึงผลจะเกิดขึ้นประการใดบ้างอันนั้นเป็นเรื่องเลวละ ให้มีความตระหนักด้วยสติดูกับวงงานที่เพิ่นกําลังพิจารณาเช่นหรือตําแหน่งบริกรรมเช่นผู้โทรหรืออนุปานนสติให้มีสติจดจ่อนี้ตรงนั้นโดยขาเดียวเท่านั้นการที่สติจดจ่ออยู่กับงานที่กําลังทํานั้นนั่นแลคือเป็นการถิดผลขึ้นมาในตัวโดยหลักธรรมชาติไม่ต้องภาคหมายก็รู้เองไปเองเมื่อเหตุสมควรจะรู้แค่ไหนที่เราทําลงไปผลจะปรากฏขึ้นมาเอง ไม่ได้ผลนั้นไม่เกิดขึ้นจากการฆ่าการหมานการดาวร่นต้นดอกอะไรต่างๆแต่เกิดขึ้นจากเหตุที่กระทําด้วยความผูกต่อเพราะความมีสติเป็นสําคัญถ้าจะพิจารณาทางด้านปัญญาในขณะที่จิตมีความสงบแล้วจิตย่อมไม่ฟุ้งซ่านย่อมไม่วุ่นวาย ถ้าพิจารณาทางด้านปัญญาก็เต็มเม็ดเต็มหน่วยเช่นเดียวกับการรับทานอีกแล้วจะทําหน้าที่การงานอะไรจิตใจไม่วอกแวกความแข็งไม่เดือดร้อนวู้วางต่างๆเหมือนกับคนกําลังหิวจัดคนกําลังหิวจัดทํางานอะไรไม่สู้ดีอะไรมากระทบนิดๆหน่อยๆมีแต่เกิดจะเกิดความไม่สุขจังน้อยความไม่สุขมากทั้งแสดงความโมโหโทษโทษขึ้นมาจิตใจที่กําลังหิวก็หายในอารมณ์ต่างๆอยู่เพราะหาความร่มเย็นให้ เป็นที่สบายเป็นที่สงบจิตใจไม่ได้จะพิจารณาทางญาณปัญญามันก็กลายเป็นปัญญาเป็นเลยถูกกิเลสความฟุ้งซ่านปัญญาอลมคลากเอาไปหมดเกลี้ยงด้วยเหตุนี้ท่านจึงว่าสมาธิปฏิภาวิตาปัญญามหัคผลาโหติมหานิทั้งๆปัญญาที่สมาธิอบรมแล้วย่อมมีผลมากเพราะมีไอตรงมากนะคือจิตที่พิจารณาด้วยความอื่นตัวหมายถึงสมาธิ ที่มีความสงบเย็นแล้วมีความอิ่มตัวไม่หิวโหยกับอารมณ์อะไรจะพิจารณาอารมณ์อันใดก็ตามกรรมฐานในแง่ใดก็ตามอาการบรรดาอาการ 32 <c oughs> ที่มีในด้านต่างๆตลอดถึงเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณจิตใจย่อมตั้งหน้าตั้งตาทํางานด้วยความมีสติสังเป็นพิ้นรู้เป็นพิ้นเป็นอันขึ้นมาถอดถอนเป็นช่องเป็นทางไปเรื่อยๆนี่เรียกว่าปัญญา เมื่อถึงการที่ถึงเวลาที่จะพิจารณาปัญญาเนี่ยไม่ต้องเกี่ยวกับเรื่องสมาธิให้ทําหน้าที่ของปัญญาไปด้วยความมีสติไร้ตรอมไปด้วยเหียดด้วยผลในแง่ต่างๆแห่งธรรมทั้งหลายที่มีในร่างกายและจิตใจนี้สติเป็นของทั้งขันธ์ปัญญาจะทําหน้าที่ไปเรื่อยธรรมะอนิจจังมันครอบหมดทั้งร่างกายและจิตใจในบรรดาขันธ์ 5 คือกองอนิจจังทุกขังนัตตานี่แหละ ตอรูปรูปมีอาการอาการขันธ์ 2 คือกรมนิยังทุกขังอนัตตาจะหยั่งลงในอาการใดก็ตามด้วยความเห็นแจ้งเห็นชัดเป็นการกระเทือนถึงกันหมดกับหยั่งไม่อนิจจังเราจะถนัดในพิจารณาเรื่องอนิจจังในอาการใดก็ตามในบรรดาอาการขันธ์ 2 นี้ก็ถึงนิรัตสร้างข้ามไปทั่วๆกันทุกขังอนัตตาก็เหมือนกันธรรมนี้เกี่ยวโยงกัน เมื่อเข้าใจแง่ๆหนึ่งย่อมสามารถจะเข้าใจแง่แง่หนึ่งหน้าในขณะเดียวกันอ่านี้ทั้งทุกข์ของอนัตตาพิจารณารูปอารมณ์เด้กายนี่แหละสําคัญเมื่อจิตอยู่ในขั้นนี้ต้องพิจารณาให้แหลกละเอียดไม่ต้องไปคิดว่าจิตพิจารณาช้าหรือเร็ว ทำเข้าใจเป็นของสําคัญพิจารณาแล้วพิจารณาเล่าซ้ําๆทักๆจนเป็นที่เข้าใจแน่แท้นั่นเป็นเป็นความถูกต้องเราไม่ต้องไปนักเที่ยวในการพิจารณาคือกายนี่แหละเป็นวงกลางเป็นฐานที่ทํางานของสติปัญญาศรัทธาความเพียรหมุนลงไปที่ตรงนี้ทวารสันคังร่างกายเรียกประเทียวกรรมฐานกรรมะบริวารกับธรรมฐานคือที่นี่ทําอยู่ที่นี่นะกรรมฐาน พระพุทธเจ้าท่านรู้แจ้งจริงๆในงานชิ้นนี้เหล่านี้สาวกทั้งหลายรู้แจ้งจริงๆในงานกรรมฐานซึ่งมีอยู่ภายในร่างกายและจิตใจนี้ไม่รู้จักที่ไหนเพราะสัจธรรมอยู่ที่นี่ทั้งนอกกับนอกกับภายในเทียบกันได้ทุกประการเปินรู้แจ้งจริงๆนี้แล้วภายนอกกับในมีปัญหาอะไรเพราะมันเหมือนเหมือนกันในโลกนี้อ่าให้พิจารณาอย่างนั้นอย่าถอยหลัง อุบายวิธีต่างๆก็ได้พยายามสอนหมู่เพื่อนมาเต็มที่กําลังความสามารถไม่เคยลีลับในแง่ใดเลยพอได้อบรมสอนหมู่เพื่อนมาเป็นเวลาทั้ง 20 กว่าปีแต่ออกสังคมนี้ถ้าเกี่ยวข้องกับหมู่เพื่อนก็ควรจะมีองค์ได้รับความเข้าอกเข้าใจในอุบายวิธีต่างๆและการสอนก็สอนอย่างเต็มเม็ดเต็มหน่วยสอนด้วยความแน่ใจพูดตรงๆมันไม่ได้สอนด้วยความสงสัย แบบรูปคําๆเห็นจะเป็นอย่างนั้นเห็นจะเป็นอย่างนี้เจตไม่ได้เป็นอย่างนั้นมันเห็นจริงๆปฏิบัติก็จริงเวลารู้ขึ้นมาแง่ไหนมันก็จริงแม้ว่าส่วนญาณส่วนกลางส่วนละเอียดมันจริงทุกส่วนเพราะเราทําจริงมันรู้ทุกทุกส่วนจริงไปหมดเมื่อเป็นอย่างนั้นพูดออกมาทําไมจะไม่จริงแล้วผู้ฟังทําไมจะไม่จริงพูดของจริงให้ฟังแท้ๆถ้าเรามุ่งของจริงอยู่แล้วฟังให้จริงทําให้จริงก็ต้องเห็นของจริงไม่อยู่ที่ไหนนอกเหนือไปจากเขาจะทําทั้ง 4 นี่แหละ ตลาดสมภพนิพพานดูตรงนี้ไม่มีอะไรมากีดกันการสถานที่และมีอํานาจที่จะมาขัดกามภพนิพพานเรื่องเวลาสถานที่นั่นทีนี้ความยืดยานานแห่งกาลเวลาจะมาทําลายมรรคผลนิพพานหรือกีดกันมรรคผลนิพพานให้ผู้ปฏิบัติได้ปฏิบัติชอบตามหลักธรรมของพระพุทธเจ้าไม่ให้ได้มรรคผลเป็นใครไม่ได้มีแต่สมุทัยตัวนี้เท่านั้นตัวสําคัญหรือทุกข์กับสมุทัย 2 ประการ เป็นเครื่องปิดบังมากุมพันไว้ปัญญาไม่ออกก้าวเดินถ้าปัญญาออกก้าวเดินก็พิจารณาแยกแยะทุกข์ที่มันเกิดขึ้นภายในกายมันเกิดขึ้นส่วนไหนอะไรเป็นทุกข์แยกมันดูทุกข์อาการว่าหนังเป็นทุกข์คนตายแล้วหนังมีมั้ยจะไปเฝาะใครมันว่าไงแล้วไม่เห็นว่าไงแน่ทั้งนั้นก็ไม่ใช่หนังเป็นทุกข์ละสิเออเนื้อเป็นทุกข์หรือเอ็นหรือเป็นทุกข์หรือกระดูกเป็นทุกข์ว่าตรงไหนจ่อมันเข้าไปจ่อมันเข้าไปด้วยสติปัญญาเทียบเคียงกัน กับเรื่องของใจแยกเพียงกันกับเวทนากับเนื้อหนังเอ็นกระดูกในอาการใดที่ว่ามันเป็นทุกข์แยกกันดูเมื่อเห็นหลายครั้งหลายหนชัดเจนเข้าไปเวทนาก็ต่างแต่ว่าเวทนาหนังเนื้อเอ็นกระดูกหรือสลบแล้วกับร่างกายก็ต่างแต่ว่าร่างกายใจก็ต่างแต่ว่ารู้ต่างอันต่างจึงเมื่อต่างอันต่างจึงแล้วไม่มีอะไรกับครบกันจิตก็ไม่กระทบกระท้านพอรู้ความจริงแล้วอยู่เป็นปกติสุดมีปัญญาพิจารณาอย่างนี้ อันเหยียดนี้ทักคือโอทุกข์เวทนาก็มันก็เหมือนกันเวทนาแม้จะเกิดขึ้นจากกายมันก็ไม่ใช่ชัยเหมือนอย่างความไฟเนี่ยมันเกิดขึ้นจากกองไฟแต่มันก็ไม่ใช่ไฟเนี่ยมันเป็นอาการอันหนึ่งน่ะเท่านั้นพินิจให้ชัดเจนนี่แหละของจริงอยู่ที่ตรงนี้ให้ค้นตรงนี้การบุกเบิกพระผลเพื่อพระนิพพานบุกเบิกที่ตรงเนี้ยตรงที่มันตีมันตันเวลานี้ที่เล่ห์ตัณหาสวะอืมกามตัณหาพุทธนาวิภวตัณหานี่ ที่แสดงผลขึ้นมาเป็นทุกข์ทุกข์ทางใจมันอยู่ตรงนี้เพราะฉะนั้นจึงแก้กันด้วยมรรคมีสติปัญญาเป็นสําคัญนะด้นเข้ามามรรคแก่ให้มันอยู่ในตัวนี่หมดนะสมาธิทิฏฐิสมาสังขโปหมายถึงองค์ปัญญาที่พิจารณาไคควรโดยเหตุโดยผลเรื่องธาตุ 4 วิญญาณองค์ไฟรวมตรงนั้นจังทุกขังอัตตาโดยชิ้นเชือด สัมมาวจาคนเราถ้าจิตเป็นธรรมแล้วพูดเป็นธรรมทั้งนั้นท่านก็บอกไว้แล้วว่าสัมมาวจาพูดเรื่องอะไรจึงเรียกว่าเป็นสัมมาวจาพูดในเรื่องสังเเลกธรรมนะก็มีแล้วสังเเลกธรรม <c oughs> 10 ประการคือ 1 อัปปิจฉตาความมักน้อยจะมีมากมายเพียงใดก็ตามต้องการน้อยๆเท่านี้ไม่ต้องการมากพลุงพลังทั้งแบบทั้งห่ามันหนักจะตายไปเอาแค่มีพอแล้วอัปปิจฉตานั้นโดดคือความยังมีตามมีตามเกิด ไม่วุ่นวายนี้ก็ทันมีก็ให้ทันมีก็กินไม่มีไม่กินนี่เป็นขั้นรองลงมาพระสังฆคณิกาไม่ให้คุกตีตีโมงมั่วผุ้งซึ่งกันและกันนี่เป็นข้อนึงวิเวกตาชอบที่วิเวกสงัดที่ไหนที่สงัดให้อยู่เอ้าสงัดภายนอกแล้วก็ทําให้จิตสงัดภายในนี่ เนี่ยคันเนาะก็ทะบี้เว้ยคันใหม่เนี่ยไปเครื่องหนุนกันอยู่เช่นนั้นวิริยะลำพาไม่ลดนะเรื่องความเพียรจะอยู่ในเยี่ยบทใดก็ตามเพียงแต่หลับเรายกเว้นแต่ขณะที่หลับเท่านั้นฝึกนิสัยพอตื่นขึ้นมาความเพียรกับงานติดพันกันทันทีงานเราเคยทําอยู่ในที่ไหนอยู่ในระยะใดจับพอตรงนั้นทันทีนะ นะบะตีนเนี่ยเสียงก็ดีอยู่แล้วเนี่ยพัฒนาธิเนี่ยพูดกันเรื่องสมาธิพูดเรื่องปัญญาพูดเรื่องถึงเรื่องนิโมทถึงเรื่องลิมุตติญาสัทธนะแล้วก็ 10 นี่สัมมาวาจากล่าวชอบนะสัมมากัมมันตะเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนานี่แหละเป็นงานที่ชอบที่สุดสําหรับพระเรานั่นเห็นมั้ยอรนี่ย้อนเข้ามาเนี่ย มันอาชีวะเลี้ยงชีพทราบขั้นหนึ่งก็คือปินิยาโลกโพธนังนิสาและปัจจาตะเตยาวเชืองสร้างโภคานิปิฎิวัดแล้วอาศัยกำลังกีแท่งอุบินเที่ยวบวชมาแล้วอาศัยกำลังกีแท่งเพื่อเป็นทบะตามชาวบ้านเข้ามาสมถันนี่เป็นงานที่เข้าของพวกเธอทั้งหลายจงทําธรรมสัมมยานั้นสําหรับคืนนี้เถิดนี่นี่เป็นเอ่อเลี้ยงชีพทราบอันหนึ่งเลี้ยงชีพทราบประการสําคัญก็คือว่ายานนํายาพิษ อารมณ์ที่เป็นพืชเป็นไฟเป็นเปลวตัณหาก็มาเผาลนจิตใจอืมจิตใจที่พาชีวิตให้เป็นอยู่นี้ให้มีความราบรื่นอยู่ด้วยความสงบอย่ามีธรรมมีปฏิพรรณญาณเป็นเครื่องคุ้มครองรักษาป้องกันนะมันมาชีวะเลี้ยงคิดทราบเลี้ยงด้วยอกุศลธรรมเลี้ยงด้วยสติเลี้ยงด้วยปัญญาอย่านํากิเลสความลมโลภความโกรธความหวงนาค่าตัณหาเข้าเข้ามาเลี้ยงมันมันไม่ใช่เลี้ยงมันมาทําลายนะ ทำมาเวลาโมก็เพียรขอบเพียรหน้าที่ที่สถานท่านก็บอกไว้แล้วน่ะทําเพียรละบาปบังเกิดบุญอันบาปที่เกิดมีแล้วก็พยายามละและพยายามสร้างสมกุศลที่ยังไม่เกิดความฉลาดนั่นล่ะกุศลกุศลแต่ว่าความฉลาดนะเกิดขึ้นภนาจิตและถ้าเกิดยิ่งขึ้นไปก็มีธนะธรรมะสติ ระลึกอยู่ในสติปัฏฐาน 4 กายเวทนาจิตธรรมเมื่อสมาธิทั้งมาสมาธิรวมลงไปไปแล้วถึงการรวมก็ให้เป็นความสงบไม่ต้องประเดกป่วนคือจิตบางนายเมื่อขณะที่ลงแล้วถอนไม่ขึ้นถ้าเราพยายามถอนหลายครั้งหลายหนพอถอนขึ้นมาแล้วไม่หลบ เพราะฉะนั้นเพื่อความถูกต้องแห่งสมาธิในรายเช่นนี้นั้นจะรวมทั้งกี่ชั่วโมงก็ตามปล่อยไว้อย่างนั้นจนกระทั่งถอนขึ้นมาเองญาติไปรับควรด้วยวิธีการใดๆทั้งหมดนอกจากคือความที่นิเทศกับสมาธิประเภทนี้แล้วจะถอนขึ้นเมื่อไหร่ก็ได้ให้ลงเมื่อไหร่ก็ได้นี่นี่เป็น 100 นึงจะเอา 5% ก็ทั้งอย่างรายอย่างนี้มีเพียง 5% ในสมัยปัจจุบันนี้รู้สึกจะได้เพียง 5% เหล่านั้นก็ สงบคือภายในจิตคิดได้ปรุงได้แต่ปรุงอยู่เพียงแค่ยับๆกันยับอยู่ภายในอยู่ไม่ได้เกี่ยวข้องกับอารมณ์ใดๆนั้นเรียกว่าสงบอืมจิตที่มีความแน่นหนามั่นคงแต่ตัวเองอยู่ทุกระยะเรียกว่าสมาธิคือความมั่นคงของจิตการที่จิตจะมีความมั่นคงของใจขึ้นมาก็ต้องมีความมั่นคงทางความเพียรเป็นเครื่องหนุนเสมออืมเนี่ยมันแปรปรวนออกมาแล้วอยู่ที่ตัวของเรานี่ทั้งหมดไม่อยู่ที่ไหน ตามขั้นภูมิของผู้ปฏิบัติเพราะธรรมมีหลายขั้นเนาะ 8 ก็มีหลายขั้นหลายภูมิอืมเนาะนับ 8 ทุกเยนเข้าไปจริงๆมันก็ก็ลงมาในสติปัฏฐานลงนี้หมดจะไปแก้กิเลสตัวไหนไม่พ้นจากสติปัฏฐานนี่เลยทีละก็ละเอียดเข้าไปโดยลําดับการพิจารณาร่างกายจึงเป็นสิ่งสําคัญที่จะถอดถอนราคะตัณหาได้ วิธนาสัญญาสังขารวิญญาณก็เป็นส่วนหนึ่งอันนี้เป็นหน้าที่ของปัญญาที่มีความละเอียดยิ่งไปกว่านั้นจะเป็นผู้ทํางานเมื่อได้รู้ทราบทานเรื่องร่างกายทั้งหมดนะปล่อยจิตจะมายุ่งกับการพิจารณาร่างกายโดยจะพิจารณาตั้งแต่เรื่องนามธรรมคือเวทนาสัญญาสังขารเฉพาะอย่างยิ่งสังขารคือความคิดความฟุ้ง ตึงดีก็ดับตึงสั่วก็ดับตึงชนิดไหนดับหมดดับหมดยับๆๆๆเมื่อสติปัญญาธรรมแล้วจะมีมันก็เหมือนกระแสลมฮอดมันยับๆๆเพราะมันไม่มีเงื่อนต่อเนื่องจากสติปัญญาธรรมทันกันโดยหลักธรรมชาติเมื่อนานเข้าไปนานเข้าไปชนิดนั้นพอต่อแล้วตึงขึ้นในขณะใดก็เท่ากับสุกสติปัญญาให้รู้เท่ากันในขณะนั้นในขณะนั้นไปเรื่อยๆอืมนี่เรียกว่ากิเลสท่วมตัว ตมะไสธาตุขันธ์คือร่างกายนี้ปัญญาก็ตรวจสอบมองทะลุไปหมดแล้วอุปทานหาที่ยึดที่มั่นไม่ได้เพราะความรู้แจ้งจริงๆในสิ่งนี้อ่าว่าธาตุก็ธาตุจริงๆเอออ่าธาตุดินก็เป็นดินจริงๆธาตุน้ําก็ซึ้งพะนะใจจริงๆธาตุลมธาตุไฟก็ซึ้งจริงๆแล้วใครจะไปดิเอาดินเอาน้ําเอาลมเอาไฟมาเป็นต้นได้อย่างไรเมื่อนี่ยังถึงปัญญาขั้นนี้แล้วก็ถอนอุปทานขึ้นมาเอาอันใดที่ยัง ยังไม่ถึงอีกก็พิจารณาปริเทษเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณซึ่งเป็นนามธรรมที่ก็ตามเข้าไปเฉพาะอย่างยิ่งสังขารความปรุงสัญญาธรรมหมายนั้นหมายนี้มันหมายไม่ได้ถ้าลงทั้งขันธ์ไม่ดื้อให้มันแล้วมันหมายไม่ได้สังขารต้องแยกให้ได้ก่อนปัญญาจึงจะไปหมายนู้นหมายนี้ออกได้ถ้าไม่ออกนู้นก่อนหมายไม่ได้มีสติปัญญาก็ทันแล้วก็รู้เท่าด้วยรู้เท่าเรื่องกายแล้วรู้เท่าเวทนา รู้เท่าสัญญาทั้งขานหนึ่งได้ซึ่งเกี่ยวโยงกันอยู่กับใจดวงเดียวพอรู้เท่าแล้วมันก็ไม่หยุดเวทนาก็ตักว่าเวทนาทั้งขานก็ตักว่าสังขารคือความคิดความปรุงเท่านั้นสัญญาก็เหมือนกันหาตนหาตัวไม่ได้วิญญาณก็รับทราบจากสิ่งที่มาสัมผัสพอสิ่งที่มาสัมผัสผ่านไปความรับทราบนี้ประดับไปพร้อมแต่ความรู้นั้นไม่ดับเรียกว่าจิตอันนั้น ที่รับภาคถึงนั้นถึงมีมรรคคภและดับไปท้องกับถึงมรรคคภดับไปนั้นเรียกว่าวิญญาณเนี่ยมันก็รู้เท่าถึงมันเหลืออะไรเนี่ยไล่อย่างนี้ไล่กิเลสไอ้ตะล่างเข้าไปด้วยปัญญาถึงได้ถ้ารู้แล้วต้องปล่อยปล่อยปล่อยแล้วไม่ติดตามเพราะรู้แล้วพินหะน่ะรู้ตัวเองนั้นเรียกว่าสันติธิโกไม่ต้องให้ใครมาบอกพระพุทธเจ้าท่านก็บอกไว้แล้วว่าสันติธิโกรู้เองปัจจทันนิยตะโบวินยุหึ แต่ผู้ทั้งหลายถึงรู้โดยลําพังตัวเองรู้แต่พอตัวก็มีผู้ปฏิบัติมีเท่านั้นจะรู้เรื่องของตัวเองถ้าได้ปฏิบัติไม่รู้นี้เราก็ปฏิบัติเพื่อรู้เรื่องของเราไปรู้คือร่างกายทุกส่วนเวทนาสุขทุกข์เฉยๆทั้งทั้งทางร่างกายและจิตใจสัญญาความจําได้หมายรู้สังขารความคิดความปรุงทางในจิตใจอืมวิญญาณความรับรู้นี่ก็รู้เท่าทันก็มีเป็นละการแต 5 อย่างเท่านี้ แล้วอะไรที่มันยังเหลืออยู่นั้นกิเลสเมื่อถูกตล่อมอุปทานถอนเข้าไปถอนไปแล้วก็ยังเหลือแต่อุปทานของใจพลางๆนั่นล่ะตัวอวิชชาจริงๆคือมานะความถือใจในสํานึกเบื้องบนทั้งล่างไว้มานะอุทธัจจะอวิชชาอืมเลือกเบื้องบนรูปราคะอรูปราคะมานะอุทธัจจะอวิชชา อืมคุณเลือกแบ่งบอกอย่างละเอียดเครื่องผูกกิ๋ดใจอย่างละเอียดพุทธะจะความปุ้งอันนี้ไม่ได้หมายถึงความปุ้งพ่านรำคาญแต่แบบสามัญชนที่เป็นกันทั่วๆไปแต่ความปุ้งความเพลคำว่าปุ้งหมายถึงความเพลในการพิจารณาในแง่ธรรมทั้งหลายจนลืมเข้าพักสมาธิอันเป็นที่สงบพักผ่อนดอยใจให้มีความสะดวกสบายเพื่อเอากําลังในการพิจารณาต่อไป ใจที่มีความเพลินในหน้าที่ทํางานสนายจึงเรียกว่าอุทธัจจะคือเพลินเกินตู่ท่านก็อยากสังโยชน์เหมือนกันแน่มานะก็คือความถือความรู้นั่นแหละเพราะความรู้นั้นเต็มไปด้วยอวิชชาทีนี้อวิชชารวมตัวแล้วอ่ารูปนอกอวิชชาถูกตัดแล้วทางตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางพาตัดเข้าไปแม้แต่ถึงอยู่ตาม<ม> อ่ารูปเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณก็ถูกตัดเข้าไปตัดเข้าไปด้วยปัญญาอุปาทานนั้นมีที่ดึกเข้าไปยึดใจนั่นอ่าที่ปันเรียกว่ากิเลสมันรวมตัวเอาไปดึกใจเข้าไปค้นสติปัญญาที่เจจังเข้าไปตรงนั้นเหมือนกันเหมือนพิจารณาเข้าไปถึงอุปาทานที่มันยึดใจอันเป็นตัวสําคัญความสว่างสลายทางพระญาณเรื่องความอาคมหามันก็อยู่ในนั้นหมดพิจารณาเข้าไปตรงนั้นเหมือนกับสภาวะธรรมทั้งหลายที่เคยพิจารณาและรู้เท่าทันมันแล้ว มันก็รู้เท่าเท่านั้นเองไม่รู้เท่าแล้วมันก็แตกกระจายไปหมดเมื่อความรู้ที่เป็นวิชชาแตกกระจายหมดแล้ววิชชาวิมุตติก็ขึ้นมาเองนี่เราจะไปหาวิมุตตินิพพานที่ไหนหาเอาพิจารณาตรงนี้สิอะไรปิดมากว่านิพพานในราวนี้ก็มีแต่กิเลสประเภทเดียวทั้งนั้นพิจารณาสิ่งเหล่านี้ให้รู้เท่าทันไปโดยลําดับเปิดออกโดยลําดับด้วยสติปัญญาให้ทันเหตุทันการแล้วเรื่องความจริงก็เด่นขึ้นมาเด่นขึ้นมาเด่นเด่นไปในที่ อภิธรรมดับไฟก็อภิธายะตะเววะเทศวิราคะนิโรธาสังขารนิโรธสังขารนิคมวิญญาณนิโรธโททั้งทั้งนิโรธโหตินะเมื่อวิธาดับสังขารสังขารดับสังขารดับวิญญาณดับเรื่อยๆมันดับไปเพราะว่าเพราะรากแก้วมันถอนขึ้นมาแล้วอะไรมันก็ตายไปหมดนั่นแหละไม่ว่ารากปลอยมันว่าถึงกันว่าดอกใบอะไรมันตายไปหมดเพราะรากแก้วมันถูกถอนขึ้นมาแล้วอภิธาคือรากแก้วของกาย ของมัธยจัตมันถึงอยู่ที่การหน่วยสติปัญญาอัตโนมัติหรือมหาสติมหาปัญญาไปคุยเกี่ยวขุดค้นมาจนแหลกละเอียดแล้วทำลากันอย่างละเอียดแล้วแล้วจะไปหาวิมุตติที่ไหนน่ะนั่นแหละวิมุตติขุดค้นแล้วจ้ะอำนาจแห่งที่เดียวปัญหาอัตวะทั้งมวลเนี่ยที่ตรงนั้นสังคิปโคบอกขึ้นมาเองไม่ต้องถามใครนะ งานของผู้ปฏิบัติเฉพาะอย่างยิ่งนักทั่วนักปฏิบัติเรามาลิติกันตรงนี้เองนี่แหละงานใหญ่ที่จะทํามาตั้งแต่เกศาลงมานครสถานประตูมาณจุดตรงนี้มาสิ้นสุดภูมิต่างพระมัจจริยังกระตังเตรงมีังนภาทั้งนภลังก์ไตรยติได้เสร็จภิกขุงานของพระศาสนาได้เสร็จเพียงเท่านี้ที่จะทําให้ยิ่งใหญ่กว่านี้ใครไม่มีเพราะรู้แจ้งจริงเต็มส่วนแล้วนั่น เหงื่อผลงานจบทํางานเสร็จเสร็จที่ตรงนี้งานคือพูดเบื้องต้นในขั้นต้นแรกของการเทศน์มาจบที่ตรงนี้งานพร้อมทํามีความจบขึ้นลงได้งานโลกไม่มีจบตินทําจนกระทั่งวันตายคนที่ตายไปเพื่อนมาทําแทนมันก็ไม่ทิ่มไม่สุดงานนี้ต้องทําให้เต็มเม็ดเต็มหน่วยเต็มอัตจนทําเต็มสิทธิปฏิบัติงานแล้วจะต้องยุติกันที่ตรงนี้ตลอดถึงการเกิดการแจกการเจตปันตาทั้งหลายที่มันอาศัย คิดอวิชชาพาเป็นเกลือนั้นมันก็ดับไปพร้อมๆกันหมดตัวนะเอาดิมึงปฏิบัติลูกกุฏธาภพอ่อนแอได้เลยแล้วมหาของจริงทําไมมันจะมีแต่ของกอมเต็มหัวใจวันไหนเจอนอนจงอยู่กับของกอมแล้วไม่เปลืองในอาตตนบ้างเหรอนะก็พูดถึงเรื่องจบงานสิ้นงานงานจะสิ้นแล้วก่อน จบแค่นี้อ่ะต่อไปท่านปัญญาอธิบายให้หมู่เพื่อนฟัง